ไปเส้นทางถนนยาวๆเนี่ยเรามองไปข้างหน้าแดดจัดๆกาลังเที่ยงกำลังบ่ายโมงเนี่ยเห็นระยิบระยับ ร, ระยิบระยับเหมือนกับทะเลบางทีก็เหมือนกับทะเลบางทีก็เหมือนกับเป็นน้ำแต่พอเราไปเข้าไปใกล้ถึงจุดนั้นแล้วมันก็หายไปเป็นภาพลวงตาใช่ไหมเป็นภาพลวงตามไม่เลยมีแกนสารสาระอะไรเลย นี่สัญญาเหมือนกับพยับแดดสังขารสังขารและขันเหมือนกับต้นกล้วยก็ได้พูดอยู่บ่อยๆต้นกล้วยเป็นต้นไม้ที่มันไม่มีกันเมื่อลอกกาบหนึ่งแล้วก็ทิ้งไปลอกกาบนึงแล้วก็ทิ้งไปพอถึงกาบสุดท้ายทิ้งไปแล้วหมดกันเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นสัญญาโดยเฉพาะสัญญาเนี่ไอ้ขอภยัยนั่นคือสังขารโดยเฉพาะสังขา น, นี่นะมันปรุงแต่งจิตเรา เดี๋ยวก็ปรุงแต่งให้เกิดความยินดีหดัวเราะชอบใจอยากได้ประเดี๋ยวก็ปรุงแต่งให้เรายินร้ายร้องไห้ไม่ชอบใจไม่อยากได้ก็เท่านั้นเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเป็นธาตุของสังขารมันเป็นธาตุของสังขารมันซึ่งสังขารนั้นไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลย เราถูกสังขารมันปรุงมันแต่งอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับประรายยมอาตมาพูดอยู่บ่อยๆเหมือนกับไอ้ตัวหุ่นกระบอกตัวหนังตะลุงใช่ไหมตามปกติตัวหุ่นกระบอกตัวหนังตะลุงน่ยถ้ามันอยู่เฉยๆไม่มีคนมาจับมันเชิดมันก็อยู่ของมันสบายแต่พอมือพอมีคนจับมันมันเชิดให้มันเต้นไปตามเพลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เชิดเป็นพระเอกเดี๋ยวก็เชิดเป็นผู้ร้าย จิตเราก็เช่นเดียวกันถูกสังขารมันจับเชิดอยู่ตลอดเวลาถูกสังขารมันจับเชิดอยู่ตลอดเวลาสังขารมันก็หัวเราะ อ, อยู่เบื้องหลังประเดี๋ยวก็โกรธประเดี๋ยวก็ดีใจเป็นอยู่อย่างนั้นแหละนี่เพราะนั้นพระเจ้าให้เราเห็นว่าไอ้สังขาร น, นั้นอ่ะมันไม่มีแกนสารสาระอะไรเลยเหมือนกับต้นกล้วยประการสุดท้ายวิญญาณขันอ่ะเปรียบเสมือนมายากล เขาที่เล่นกลหมายเราดูระห ว, ว่าเสียวใช่ไหมแต่ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมก็บอกบมายากลไม่ใช่ของจริงอะไรเพราะฉะนั้นนี่แหละพระสมบูเจ้าให้เราเข้าไปพิจารณารูปนามขันห้าดูสิว่ามันมีแก่นสารสาระอะไรไหมมันมีแก่นสารสาระอะไรไหมมันควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมัน่น สมควรไม้ที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันแล้วทุกข์มันตามมาความทุกข์มันตามมานี่ประการที่สามประการสุดท้ายพระองค์ให้เราพิจารณาเข้าไปพิจารณาว่าไอ้ขันห้านี้นะมันเป็นของหนักขันห้านี้มันเป็นของหนัก จิตดวงนี้ของเราแบกเอาขันห้าไว้ทําไมเพรว่ามันเป็นของหนักโอ้ไอที่เราเดือดร้อนเหน็ดเหนื่อยอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่นะก็คือต้องการหากินหาอยู่ให้ขันห้ามันใช่ไหมที่ต้องเหนื่อยต้องเดือดร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่นะอ ต้องคอยหาอะไรมาใส่ปากมันอยู่เสมอใช่ไหมต้องหากินหาอยู่ให้มันเป็นพาระใช่ไหมเป็นพาระเหลือเกินอืม <c oughs> <c oughs> เป็นภาระอหลวงท่านตรัสไปเป็นพุทธภาษิตไว้ว่าพาราหาเวปัญจักขั่นทา <c oughs> พาราฮเวปัญจักขั่นทา ขันห้าเป็นของหนักพาราหาเวปัญจักขันธาคนผ้าเป็นของหนักอย่างที่ว่านั่นแหละจิตมันต้องแบกเอาขันห้านี้เข้าไว้พาระหาโรจะบุกโรแต่บุคคลก็ยังแบกของหนักกันเข้าไว้หมายถึงว่าจิตดวงนี้นะ่ะแบกเอาขันห้านี้ไว้ แล้วก็ที่ว่าไม่ได้ขันเดียวใช่ไหมโอ้ยังเต็มไปด้วยขั น, ขนเงินขันทองขันพลาสติกขันอะไรต่างๆรอบๆข้างใช่ไหมแบกไว้แบกขันหางของคนรอบข้างไว้อีกขันเดียวนั่นก็จะแย่อยู่แล้วขันเดียวก็จะแย่อยู่แล้วหากินหาอยู่ยังไม่ค่อยจะพอเพียง นี่พูเจ้าว่าแต่บุคคลก็ยังแบกของหนักกันเข้าไว้พาราทานังทุกขังโรเกการแบกของหนักไว้นะเป็นทุกข์ที่สุดในโลกการแบกของหนักไว้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกภาระนิกเขปนังสุขขังการปล่อยวางขันห้าเสียได้จะเป็นสุขโดยแท้นี่เพราะฉะนั้ทั้งหประการทั้งสี่ประการนี้น่คือ ผู้จ้างให้เราเข้าไปพิจารณาในความเป็นจริงแท้ของขันห้าประการที่หนึ่งก็คือให้เข้าไปพิจารณาว่าความเป็นจริงแท้ของขันห้านั้นน่ะจริงๆแล้วน่ะมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาตัวขันหานี้ขันหานี้มันไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกจริงๆนั่นน่ะ ไม่ต้องไปพิจารณาถึงอาการสาสสองหรอกผู้เจ้าบอกว่าพิจารณาแค่ห้าอย่างที่มันอยู่ข้างนอกอะไรห้าอย่างที่มันอยู่ข้างนอกผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกหอย่างนี้นอกนั้นแล้วตั้งแต่เนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นไปอีก27บอย่างมันอยู่ข้างใน หนังมันหุ้มเอาไว้ถ้าเราพิจารณาเห็นข้างนอกห้าอย่างนี้ไม่สะอาดสกรปรกแล้วอีกยี่สิบเจ็ดอย่างไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมมันยิ่งสกรปรกไปอีกใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระสมัยพระเจ้าตรัสสั่งอุปชาผู้ที่จะบวชพระสงฆ์ก่อนที่จะอนุญาตให้ไปห่มผ้าให้สอนกรรมฐานก่อน ให้สอนกรรมฐานหอย่างนี้ก่อนเรียกว่าตันตจะปัญจะกรรมฐานกรรมฐานห้าที่มีหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบพระอจาพระอุปรชาชจะพาเราว่าใช่ไหมเกษาโรมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโมาเกษาให้ว่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้พิจารณาให้มันเห็น ให้เกิดความสลดเกิดความสังเวชใจว่าร่างกายของเรานี้มันไม่สวยไม่งามอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรถึงจะมายึดมันม่นถือมั่นนั่นแหละเมื่อผู้ที่จะบวชมีความสลดใจเล็กน้อยแล้วก็ถึงจะอนุ ญ, ญาตให้ไปห่มผ้าแต่เดือนนี้ไม่ค่อยมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ว่าไปตามอุปชาท่านว่าท่านก็ว่าไปตามโดยที่ไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไร แต่พู้เจ้าต้องให้เกิดความรู้สึกอันนี้ก่อนก่อนที่จะให้อนุญาตไปห่มผ้าไปคลองผ้าเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าโอ้ไอ้ร่างกายนี่มันเป็นของโสกปรกเป็นของปฏิกลูืมันไม่สวยไม่งามให้เกิดความสลดสังเวชใจอย่างนี้ก่อนนั่นเพราะฉะนั้นตามปกติก็นี่แหละุู้เจ้าก็เอาให้เราพิจารณาเพียงแค่ห้าอย่างที่อยู่ข้างนอกนี่แหละ ไม่ต้องไปทั้งหมดสาสองก็ได้เพราะถ้าหากว่าเห็น5้าอย่างนี้มันไม่สวยไม่งามมันสกรปรกแล้วที่เหลืออีก27อย่างที่มันอยู่ข้างในมันก็เป็นของที่ยิ่งสกรปรกไปใหญงนี่การพิจารณากายคตาสติประการที่สท่านเราพิจารณา ให้เห็นว่ารูปนามขันธ์ห้านี้มันไม่มีแก่นสารสาระอะไรโดยท่านอุปมาอุปไมยไว้อย่างนี้เพื่อให้เราได้มีหลักในการพิจารณาประการสุดท้ายก็ให้เห็นว่าที่นา ว, ว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นของหนักคนเราบางคนบอกว่าบนว่าหนักแต่ก็ยังแบกเอาไว้บนว่าหนักก็ยังแบกเอาไว้ หลวงปู่มั่นท่านก็นฝันท่านก็นิมิตไปว่าเดินเข้าไปในปา่านกมันร้องนกมันร้องกับภาษานกของมันแต่หลวงปู่ฟังเป็นหนักก็วางเสียหนักก็วางเสียหลวงปู่ฟังเสียงนกมันร้องเป็นอย่างนั้นว่าหนักก็วางเสียหนักก็วางเสียงนกมันร้องอะไรหนักก็วางเสียงหลวงปู่ก็มาคิดมาพิจารณาโอ๋อไอขันห้านี้เอง ขันห้านี้เองเรามาแบกมาขันห้าไว้มันหนักทั้งท่านที่บนว่าหนักแต่ก็ไม่วางใช่ไหมบางคนบนว่าหนักแต่ก็ไม่ยอมวางไม่ยอมวางไอ้ของที่มันหาบไว้มันหนักอะ่ะของที่มันแบกไว้แล้วมันหนักอก็วางสิวางขันห้าปล่อยวางขันห้า โดยให้ขันห้านี้อยู่ใครอยู่มันขันห้าก็อยู่ส่วนตามขันห้าเขาจิตก็อยู่ส่วนจิตอย่าลืมนะขันห้านั้นหมายถึงกายนะขันห้าหมายถึงกายกายกับจิตชีวิตประกอบด้วยกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งประกอบสองส่วนนี้ประกอบกันแล้วเป็นชีวิต กายเท่านั้นที่เกิดแก่ตายต่อมาผู้เจ้ามาขยายความให้เราศึกษาชีวิตให้มันละเอียดขึ้นไปอีกว่ากายนั้นแบ่งออกเป็น5ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าขันเรียกว่าขัน5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นหมายความว่าชีวิตของคนเราเป็นไปด้วยขัน5เป็นอยู่ด้วยขันห เป็นอยู่ด้วยขันห้าเพราะนั้นขันห้าตัว น, นั้นที่เกิดแก่ตายจิตของเรามันไม่ตายมันเป็นอมตะจิตของเรามันยังมีอวิชชาแฝงอยู่มันจึงต้องไปเกิดเวียนตายเวียนเกิดอีกเพราะนั้นนี่แหละที่พระสมมาผู้เจ้าได้เน้นสอนเราในเรื่อง ทุกข์กับเรื่องการดับทุกข์เป็นประการสำคัญนี่ก็เป็นวิธีการแนวทางในการที่เราจะพิจารณาในเรื่องของวิปัสสนาเราจำเป็นต้องพูดกันในเรื่องของวิปัสสนาให้มากเพราะบางคนเอาแต่สมาธิอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้สมาธิอย่างเดียว พระสมาพุทาให้เราทำสมาธิเพื่อที่จะเป็นบาตรในการที่จะก้าวขึ้นไปถึงขั้นวิปัสนาต้องให้ถึงขั้นวิปัสนาถึงจะดับทุกข์ได้จริงๆและในขั้นวิปัสนาต้องเกิดปัญญาอย่างนี้ไปเกิดปัญญาอย่างอื่นๆนั้นมันกว้างเกินไปมันกว้างเกินไปต้องเกิดปัญญาอย่างนี้ถึงจะดับทุกข์ได้ เพราะนั้นถึงได้บอกว่าตามปกติแล้วในภาคผู้ที่ปฏิบัติในภาควิปัสสนานั้นต้องอยู่กับรูปกับนามต้องอยู่กับรูปกับนามถึงจะเรียกว่าเป็นปรมัตฐาบุคคลหรือเป็นปัตตมัตเป็นปรมาทสสงเพราะ ร, รูปนามมันเป็นปรมัตทรูปนามมันเป็นปรมัตาอย่างอื่นมันเป็นสมมุติมันเป็นบัญญัติ รารมาตัตรรูปกับนามนี่แหละเป็นองค์ภาวนาของวิปัสนาเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับรูปกับนำาำเฝ้าดูอยู่กับรูปกับนามประการแรกก็คือเฝ้าดูการเกิดการเกิดขึ้นของรูปของนาำมันเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเห็นการเกิดแล้วมาเฝ้าดูการดับไปของรูปของนามมันดับไปอย่างไรประการที่สอนไปแล้วนี่เฝ้าดูอยู่กับอันนี้แหละ อยากรูปอยากน้ำให้ได้อยากรูปอยากน้ำให้ได้แล้วก็มาเฝ้าดูการเกิดขึ้นของรูปของน้ำเมื่อเห็นการเกิดขึ้นของรูปของน้ำแล้วก็มาดูเฝ้าดูการดับไปของรูปของน้ำเพราะเมื่อเราเห็นการเกิดกันดับเราบอกได้เลยว่ารูปน้ำนี้เป็นไตรลักษณ์อานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้ชัดเจนดับทุกข์ได้จริงๆนะดับทุกข์ได้จริงๆนะเห็นไหมปัญจวัคคีย์ตั้ง5 บังพระสมาพุทธเจ้าเทศกันที่สองอนัตตลักขณะสูตรจบเท่านั้นปัญจวัคคีทั้งห้าบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เลยคือเห็นรูปเห็นนามขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองเท่านั้นเองบรรลุอ้าวมีใครจะสงสัยจะถามวันนี้ก็เอาปิงแค่นี้เอา นั่งเป็นรูปหรือเป็นนามนั่งเป็นรูปเป็นรูปนะยืนเป็นรูปหรือเป็นนามนั่งกับยืนเป็นรูปเดียวกันหรือคนละรูป ตอนนี้ท่านนั่งอยู่เดี๋ยวอีกสักครูนท่านยืนขึ้นนั่นแปลว่ารูปนั่งดับไปแล้วใช่ไหมรูปยืนเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคเคยเฝ้าดูอย่างนี้รู้เปล่าอิรยาบทใหญ่ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปทั้งนั้นประเดี๋ยวเราก็ยืนประเดี๋ยวเราก็เดินประเดี๋ยวเราก็นั่งประเดี๋ยวเราก็นอนรูปเกิดดับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยไหมใช่ไหมแล้วเคยสังเกตไหมว่าโอ้ขณะนี้รูปนั่งดับไปแล้วรูปยืนเกิดขึ้นพอเริ่มเดินออกรูปยืนดับไปแล้วเอารูปเดินเกิดขึ้นนี่รูปใช่ไหมนี่รูปแล้วรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ใช่ไหม นามก็เกิดนามรู้ว่านั่งนามรู้นามรู้อา้านั่นนามก็เกิดพอยืนขึ้นนามรู้ว่ายืนยืนเป็นรูปนามรู้อา้าวก็เกิดอีกเพราะนั้นก่อนอื่นดูรูปดูนามอย่างหยับหยาบก็คือพระเจ้าให้เราดูอาการอริยบทใหญ่ทั้ง4ี่นี่ะ เพราะเห็นไหมก็บอกแล้วว่ามันคนรูปนั่งก็รูปหนึ่งยืนก็รูปนึงเดินก็รูปหนึ่งนอนก็รูปหนึ่งวันหนึ่งยี่สิบยี่บสี่ชั่วโมงเราเปลี่ยนอริยาบทใหญ่ทั้งสี่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราเคยสังเกตไหมว่าเอานี่รูปนั่งดับไปแล้วรูปยืนเกิดขึ้นแล้วอืมรูปดับรูปเกิดรูปดับไอ้ที่จริงไอ้น้ำมันก็คือมันติดกับรูปเลยรูปเป็นปัจจัยให้มันเกิดน้ำอเข้าใจ ใช่ใช่ใชนี่ไงนี่ไงอิรยาบทย่อยมันละเอียดขึ้นไปอีกใช่ไหมนี่ไงนี่ไงใช่แล้วก็มาพิจารณาอาการฐานแล้วก็มาพิจารณาธาตุ่แล้วถึงจะไปพิจารณาก จริงๆนั้นเราก็ไม่ใช่ตีเดี๋ยวจะเพิ่มไปก้าวไปถึงนั้นจริงๆนั้นในการพิจารณา้ขันห้าเพื่อสประการเนี่ยผู้เจ้าให้เราพิจารณาเพื่อให้เราเกิดหนึ่งให้เข้าไปรู้ความเป็นจริงแท้ของขันห้าสเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแท้แล้วจิตเราจะได้เบื่อหน่ายจะได้เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายมันจะได้ละมันจะได้คลาย เราจะได้ไม่เปหลงยึดมันมันก็เคอมปน่เดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนเดี๋ยวเียวลุกเียวมองนมองนี่เห็นอะไรอะไรอย่างนั้นใช่มจิตของเราเดี๋ยวิดนั่นิดนี่อย่างนั้นไก็ใช่ก็ใช่ใช่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างลักษณะมันเป็นอย่างนี้น่ะแล้วเราก็ถามจิตเราเองว่ามันสมควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ในขันห้านี้ สมควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้หนึ่งขันห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาบังคับบัญชามไม่ได้สองขันห้ามันเป็นสิ่งที่โสโครกไม่สวยไม่งามอะไรสขันห้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีกสารสาระอะไรเลยสี่ขันห้ามันเป็นของหนักนี่เราแบกกันไว้เนี่ยแบกของหนักก็ไว้เนี่ยเราสมควรไหมที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันต่อไปหรือพูดง่ายว่าไอ้เนเจอร์ ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวก็ลุกเนหเดี๋ยวก็มือเียก็มองมองนี่เดี๋ยวิโนินี่มันก็เลยกว่า่ถ้าหาว่าไม่คิดถ้าหาว่าไม่ต้องเปอริยบทอะไรบากมนพูดง่ายว่าไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะดีกว่าอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องคือขนาดนี้น่ะเราเป็นธาตุของกิเลสมันกิเลสมันให้เราทำอย่างโน้นยาตั้งอย่างนี้ัตงต่าง ใช่ไหมเราเสร็จแล้วก็ลองนึกภาพดูไอการกระทาที่ตังกิเลสมันสั่งเราให้ทาอย่างนู้นทาอย่างนี้นั่นน่ะนั่นน่ะคือไอจิตดวงนี้มันก็ไม่เป็นอิสระสักทีพูดได้ง่ายถ้าจะอุปมาก็คล้ายๆกับว่ามันไม่ออกไปนอกพ้นบรรยากาศไปสู่อวกาศอยู่แต่ในบรรยากาศนี้ก็คืออยู่แต่ในวัฏฏะสงสารนี้เวียนตายเวียนเกิด เดี๋ยวก็มาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวก็เกิดเป็นพรหมเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานเออชาตินี้มันดีหน่อยที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถามว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไหมอีกไหมเป็นเปรตอีกไหมมีบุญเก่าที่เราทําไว้ที่มันจะต้องส่งเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีโอกาสอยู่ยังปิดประตูหูไม่ถาวร ใช่ไหม ก, ไนนก็ยังมีาา ม, งมีมแต่ว่าเราไม่ไดตัวของเราเนั่นแหละใช่เราไม่ได้ทำตัวของเราเพราะฉะนั้นสุดท้ายผู้เจ้าให้เรามาเดินทางสายกลางถามว่ากลางอะไรกับอะไรอีกทีหนึ่งฮะกลางระหว่างบุญกับบาปเคยรู้อันนี้ไหม พูะเจ้าให้เราทำบุญเพื่ออะไรประการแรกให้เราทำบุญเพื่อปิดประตูไม่ให้เราไปเกิดยังอบายยภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เรจฉานให้เราทำบุญเพื่อให้เรามาเกิดในสุคติภูมิมนุษย์เทวดาพรหมมาเกิดในสุคติภูมิเพราะว่าการที่มาเกิดในสุคติภูมิก็มาด้วยอำนาจของบุญเวลาพระเจ้าสอนให้เราทำบุญ ทำไมทําบุญแล้วเดียวพอดีเดี๋ยวพลัดตกไปนุ่นไปทําบาปนิดเดียวตกไปเกิดอาบายภูมินุนทุกติภูมินุนมันสอนพระเจ้าสอนให้เราทําบุญเพื่อปิดประตูชั่วคราวไว้ก่อนให้เรามาเกิดในสุคติภูมิมนุษย์เทวดาพรหมที่ว่าทำบุญในที่นี้ก็เป็นเพียงทำบุญใบาตรบริจาคทำกระทิงบ้าบาศแค่นั้นบุญกริยาวัด บ, บุญกริยาวัตถุสิบบุญกริยาวัตถุสิบมีอะไรบ้าง นึกไม่ออกเนี่ยนะแ้ต้องไปอ่านอีกแล้วต้องบอกอีกแล้วว่าอยู่เล่มไหนไปรู้ไปค้นดูถามว่าเราทำบุญมาเกิดในสุขติภูมิถามว่าพ้นทุกข์แล้วหรื อ, อยังมเมื่อเราทำบุญมาเกิดในสุขติภูมิมนุษย์เทวดาพรหมเราพ้นทุกข์แล้วหรื อ, อยังทำไมถึงยัง ทำไมมาเกิดมนุษย์เทวดาพรหมเอ๊ะมันก็น่าจะพ้นทุกข์แล้วนี่ตราบใดที่ยังมีการเกิดการตายตราบนั้นยังมีทุกข์อยู่ใช่ไหมมาเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนมีเกิดมีตายเป็นเทวดามีเกิดมีตายไหมเป็นพรหมมีเกิดมีตายไหมมียังมีเกิดมีตายอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาเกิดในสุขติภูมิด้วยอํานาจของบุญมันก็ยังไม่ใช่ที่พ้นทุกข์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นบุญเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าบุญเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนาหรือเปล่านี่ไงเห็นไหมคนเรายังหลงอีกเยอะเลยไปถามโยมมากๆอยเะโยมอายุมากๆเอาบุญอย่างเดียวบุญยังไม่ใช่ที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะบุญนั้นเพียงแต่มาเกิดในสุคติภูมิ มนุษย์เทวดาพรหมไม่ว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมมันก็ต้องมีเกิดมีตายยังมีเกิดมีตายอยู่ยังไม่พ้นทุกเพราะฉะนั้นบุญต้องทําไม่แน่บุญต้องทําไม่แ น, แน่คอยปิดประตูคอยปิดประตู อ, อ, อบายาภูมิไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปจมอยู่กับบุญขอภัยเถอะบางคนทําบุญจนกระทั่งเมาบุญใช่ไหม หลงบุญใช่ไหมเอาแต่บุญอย่างเดียวเพราะฉันบุญยังไม่ยิ่ที่สุดในพุทธศาสนาที่สุดในพุทธศาสนาต้องทางสากลางกลางระหว่างบุญกับบาปกลางระหว่างบุญกับบาปนั่นหมายความว่าถ้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วบุญเราก็ไม่เอาบาปนะั้เราไม่เอาแน่ถ้าเราเอาแต่บุญอย่างเดียวเราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดในสุคติภูมินี่แหละมนุษย์เทวดาพรมนี่แหละ มันก็ไม่ออกนอกบรรยากาศสักทีใช่ไหมแต่ว่าทางสายกลางนี่ทางสายกลางนี่ไปทะรุที่ไหนไปบรรุที่ไหนเห็นไหมทางสายกลางไปบรรุที่แดนกระเสมแดนพระนิพพานทางสายกลางเท่านั้นต้องทางสายกลางเท่านั้นผลทางอื่นไม่มีนี่นะมัชฌิมาปฏิปทา กลางระหว่างบุญกับบาปแต่ความหมายของพระเจ้าน่ะคือกลางระหว่างกามาสุขาริการนุโยกกับอัตตกิรามถานุโยกแต่เราพูดของเราให้มันเข้าใจให้มันชัดเจนไปเลยว่ากลางระหว่างบุญกับบาปถ้าเรายังเอาบุญแต่ฝ่ายเดียวมันก็เวียนตายเวียนเกิดในสุคติภูมินี่แหละในมนุษย์เทวดาพรหมนี่แหละใช่ไหม ทางสายกลางนี้ไปบรรลุที่แดนกระเกษมแดนพระนิพพานอะไรคือทางสายกลางแ ล, แ, ลแล้วอะไรที่สุดยอ่อย่อจากมรรคแปดเ <c oughs> ห็นมบนงีก็เผลอเหมืองกัน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมนี่ก็ทางสายกลางนี่เห็นไหมทางสายกลางต้องศีลสมาธิปัญญาต้องศีลสมาธิปัญญา ถ้าเราสามารถเข้าสู่ขนทางมรรคเมื่อไหร่นั่นแปลว่าไม่ย้อนกลับไม่ย้อนหลังจะไม่ย้อนกลับถ้าเราเศ้าเข้าสู่ขนทางมรรคขนทางมรรคจุดเริ่มต้นก็คือโสดาปฏิมรรคใช่ไหมถ้าเราเข้าโสดาปฏิมรรคเมื่อใดเมื่อนั้นพระเจ้าตรัสไปเลยจะไม่หันหลังกลับ มันจะมีแต่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแล่นไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเข้าสู่ขันทางมรรคได้เมื่อไหร่เข้าสู่ขันทางมรรคขั้นต้นได้เมื่อไหร่โสดาปฏิมรรคจะไม่ย้อนกลับมาอีกจะไม่ย้อนกลับไปยังอบายภูมิเป็นการปิดประตูอบายภูมิถาวรเลยแต่ก็จะมาเกิดในสุกติภูมิฮะเรียกยานอะไรนะเรียกอะไรนะ เรียกให้ถูกนะถ้าสมาธิเรียกฌานสมาธิมีฌานสชฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสสมาธิเรียกฌานนะใช้ตัวชอกระเชอแต่ถ้าวิปัสสนาต้องเรียกญาณวิปัาาสสาญาณ16บหกโสรษญาณ โซดาปฏิมาก์โซดาปฏิพลต้องผ่านยานสิบหกรอบที่หนึ่งไม่จำหช่ไหมจดแล้วก็ไม่ได้ดูจดไปงั้นแหละเอา้าจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวยี่ส0บนาทีนั่งกันหน่อยนั่งกันสัหน่อยเอายี่สิบนาทีชวนหลวพ่อคุยก็คุยเรื่อยไปเลย เอาเอ า, อามารับแล้วเอาเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเอาอ้าว <c oughs> นั่งกันเลยนะโยมนะสี่สิบนาทีเอา ทำจิตให้สงบครั้งแรกเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่รูปสู่นามเฝ้าดูรูปดูนามรูปนามนั้นน่ะมีตั้งหกทางหนึ่งรูปนามทางตาสองรูปนามทางหูสามรูปนามทางจมูกสี่รูปนามทางลิ้นห้ารูปนามทางกายหกรูปนามทางใจแต่พระสมบู้เจ้าให้เราเฝ้าดูรูปนามที่ง่ายที่สุด คือรูปงามทางกายนั้นก็คือลมหายใจมาประทะกายอยู่ตลอดเวลาเป็นรูปเป็นนามที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคือรูปนามลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็เป็นรูปนามหนึ่ง ลมหายใจออกก็เป็นอีกรูปนามหนึ่งคนละรูปคนละนามกันพยายามจับให้ชัดเจนดูการเกิดขึ้นของรูปของนามลมคือรูปรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นนามรูปนามลมหายใจเข้าขั้นแรกเกิดขึ้นที่ปลายจมูก แล้วก็ไปสิ้นสุดไปดับลงที่ช่องท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วนั่นรูปนามลมให้ใจเข้าเกิดแล้วก็ดับอย่างช้าๆ้ารูปนามลมให้ใจออกเริ่มออกจากช่องท้องเหนือสะดือสอง